วิธีนี้นะวิธีเจริญสติแบบเคลื่อนไหวเนี่ยวิธีทงคว็รู้สิกตัวพอจะมาได้สัมผัสมาเรือ่อได้รับรู้มาแต่วิธีอื่นนิ ย, า ง, ยางอื่นตรอมมาก็ทำมาเหมือนกันมันยังไม่เข้าใจมันยังทำให้ตัวเองมองไม่เห็นอ่ะพอดีมาทำวิธีนี้มันมันกล้าได้เลยเพราะเป็นวิธีที่รัดๆเป็นวิธีที่สั้นๆ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 ชอบมาจะทางฝ่ายฝรั่งเศสความจริงหลักพื้นฐานของคนไทยจริงๆนั้นมีน้อยที่สุดตามคุบาอาจารย์ไลฟ์สังว่ารักวิชาการตัวหนังสือก็ไม่พอจำเป็นต้องไปยืมหนังสือจากประเทศอื่นหรือคำพูดจากคนอื่นมาสอนของคนไทยแต่ความจริงคนไทยก็สมบูรณ์แบบยเหมือกันที่ว่าคนไทยแท้ไม่ใช่เป็นทาสของใครเป็นคนไทยแท้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 ใ้เป็นเหล็กดีๆกับเปิสังขยำอ่อนอยู่งซันเอตบานบ่มีถ้าเป็นเล็กก้าอัเนี่ยเอบ่มีมีตะบานถ้าคำาบบ้านกับฟันได้ดีมันเป็นอย่างนนั้นการฟังญาติโยมก็เช่นเดียวกันถ้าส่งองค์เจ้าก็เช่นเดียวกันฟังให้เป็นและก็ น, นําไปปฏิบัติให้ถูกต้องการแก้ไขตามเคลื่อนไหวเมื่อกี้นี่ญาติโยมอาจจะไม่เข้าใจ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 และถ้าหากมีครูบาอาจารย์ผู้เสี่ยวชารจริงๆอย่างนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงการบรรยายแต่ถ้าขท่าธรรมมันมันตือเรื่องหลังยังพรทธรรมมาถเถื่อเถือนมันเป็นอนาคตไม่รู้ยังพรทธรมาเถือนแต่ในปัจจุบันนี้อุหลการของท่านท่านจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปด้วยกลุ่มเห็นของท่านและคณะศงวนัณหนที่เขาจะตกลงกันเอาไว้แต่ตัวหลวงพ่อแทะยื้ไปเรื่อยๆไปแล้วเป็นคนสลายไป วันนี้ก็เลยจะแนะนาเลยว <c oughs> ิธีปฏิบัติที่เพิ่นการหองวานี่คงจะเป็นวิธีสร้างจังหวะเป็นวิธีเอาความรู้สึกตัวเข้าไปวัดต่อยความรู้สึกที่ตรงทรงจามานะให้หมดเอาความรู้สึกไม่เข้าไปวัดวัดพริ ก, กมือขึ้นให้รู้สึกตัวยกมือขึ้นให้รู้สึกตัว ให้มาเคลื่อนไหวโดยยิธีือใดให้มีความรู้สึกตัวทางทิศตะีเอาไว้ก่อนความหมายคงจะเป็นอย่างนั้นตามตามฟังแต่ไม่เข้าใจความหมายเราจะว่าอุดมการอาตมาฟังตามอุดมการของอาตมาฟังคำพูดนี่แล้วจะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปบางคนเคยพราาัรนาพุทโธสัมมาอรหังของนุคนับหนึ่งสองสามหรืออาณาปานสตินั้นอาตมาบ่ได้ยินคงจะพักอนันก่อน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 นี่มาบวชคนนี้เป็นดวงตาเนี่กจ้ยายศคณะเผื่อเสียงขานพระภูวิศิตธรรมจารย์คนเก่าพอเจ้าของได้ให้เพื่อนเป็นองค์ตาให้แต่เมื่อเป็นพระนุ่มก็ต้องบวชกับเพือนมาบวชเป็นดวงตาที่ก็ไปบวชกับเพื่อนอีกซึมเ น, นี่ย เ, เป็นอย่างไรเพราะว่าได้ถือได้เคารพนับถือคนไว้ท่านว่าในประเทศอินเดียนั้นมีหลายลัทธิมีหลายวิกายมีหลายอาจารย์การสอนหลักทฤษฎีไม่เหมือนกัน เนี่ยฟังไว้มันดีฉะนั้นเขาที่ไปสวดจับเอาอันใดอันหนึ่งมาบางทีอาจจะเป็นคสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้บางที อ, อ, อจาจจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะมันปนกันในระอินเดียมีอย0ตอาจารย์ลอยแตีละทิสอบไม่เหมือนกันจำนวน1อยตดคนนั้นหรือว่าเป็นลอยเก้ากับพระพุทธเจ้ากับบุคคลหมายถึงลอยเตี๊ดละทิลอยแตดอาจารย์ลอยเตดคนน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 อาตอมาก็จะเข้าข้างนี้น้อยหนึ่งการพู ด, ดว่าสำคัญยังไหนเพราะว่าเรียนจบพระไปรปดฎกซึ่งว่าพระอะไรพระโพ ธ, ธิละบาลเตา้าอาจารย์คำว่าปรสสาะนั่นคนว่าพระตุศักดิ์โพ ธ, ธิละเรียนในประเทศอินเดียผูหนูวว่มพระบวเห็ดหนอกบบได้บบได้ไปเห็นยุคนั้นเรียนจบพระไปรปิฎกแตกสาน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 ถ้าคนอวดดีพูดบุ่ดีดีในตัวเขาก็เป็นเหล็กแข็งเต่บานซันไม่ได้ดีถ้าคนไม่กล้าพูดบะเนี่ยและยังไม่กล้าสอนก็เป็นเหล็กเต้ <c oughs> เข้าใจว่าเป็นเหล็กบดุดีใส่งานบุได้เป็นอย่างนั้นที่อาจารมาฟังอยู่ในบ้านนี้พระโอรสองเกล็กลัดบัดสอนลูกศิษย์ได้เป็นพระราหารันมาเป็นจำนวนลอยลอยพันพั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 ในฐานะเป็นอาจารย์แล้วถามลูกศิษย์ไปทั้งหมดไปพบกับเนย น, น้อยสุดท้ายแล้วเนยน้อยองค์สุดท้ายก็เลยเสอนให้ถ้ า, าอาจารย์ที่เสื้อฟั่งผมนั้นผมจะสอนถ้าผมบอกอยังนอาจารย์ต้องปฏิบัตินําทุกอย่างเออถา้าเนยีสอนอาจารย์อาจารย์าจะเห็นําทุกอย่างถ้าหากว่าเ น, นมีความสามารถสอน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 บัสุดต่ว่าิ้งซันนางกรสามิวสันนโมตตสาพระคาวะโต้กิ้งซันนางกระสาหมินนม โ, มตโต้ง ล, งตลงแต่ไม่รู้จักมาบวชเป็นเลกระวาไดนา ม, มตุตสาแม้กระทั่งเป็นนุม่มเป็นเจ้าหัวนุ่มกระ บ, บุกขาไดนา ม, มตุตสาโบลจักนา ม, มตุตสาถ้าพูดจะมีอ้าหลวงตาในวา่าผิดหลักแล้วก็ยี่วันนโมตุตสาพระคาวโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธานันผูดได้เกณบุรมา